สวัสดีครับพี่น้องครับพี่คือเสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่หนึ่งร้อยจุดสามนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนการอธิษฐานครับเพราะเน้าของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกนะครับข้อที่ห้าจนถึงข้อที่เจ็ดครับมัทิวบทที่หกข้อที่ห้าจนถึงข้อที่แปดนะครับ <c oughs> เมื่อท่านหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมือนคนหน้าขื่อใจคดเพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาในตามถนนเพื่อให้คนทั้งปวงได้เห็นเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบําเหน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นไหนและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงฉนิดในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านแต่เมื่อท่านอธิกานอย่าพูดพร้อยๆซ้ซาซากเหมือนคนต่างชาติกระทำเพราะเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจึงจะทรงโปรดฟังอย่าทำเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านทูลก่อนแล้วทีนี้ครับในเช้าวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่ใน คำเทศนาบนภูเขาซึ่งปรากฏอยู่ในข่าวธรรมะที่บทที่6และบทที่7นะครับพระเยซูกําลังตรัสสอนสาวกของพระองค์เกี่ยวข้องกับชีวิตคาทเตียนนะครับเมืม่อวานนี้เราพูดถึงเรื่องของการทําความดีจะต้องไม่ให้มือซ้ายรูปการกระทําของมือขวานะครับหรือมือขวารูปการกระทําของมือซ้ายเราจะต้องไม่ทําความดีเพื่อเอาหน้าเพื่อเอาเกียรติเพื่อให้คนอื่นยกย่องชมเชยเรานั่นคือบําเหน็จในโลกนี้ครับ ซึ่งเราได้รับไปแล้วเต็มๆแต่เราจะไม่ได้รับบำเยน็งในสวรรค์เช่นเดียวกันครับในคช้าวันนี้พระเจนะของพระเจ้าก็พูดถึงเรื่องของการอธิษฐานครับการอธิษฐานนี้หรือการทาศาสนพิธีนะครับการทาศาสนพิธีหรือการอธิษฐานสำหรับพวกธรรมจารย์หรือพวกฟาริสีพระเยซูบอกกับพวกเขาบอกว่า พวกเขาเนี่ยเป็นเหมือนกับคนหน่าชื่อใจคนเพราะว่าครับพวกเขาชอบอธิษฐานนะครับยืนอธิษฐานเสียงดังในธรรมศาลาและทางถนนเพื่อให้คนทั้งปวงจะเห็นเพื่อที่จะบอกคนอื่นบอกว่าโอ้เขาเป็นคริสเตียนนะครับอีกระดับหนึ่งเรียกว่าซ u เปอร์คริสเตียนเป็นผู้นำฝ่ายจิตวิญญาณเป็นผู้ที่ต้องร้อยเรียงคำพูดจำอธิษฐานที่จะให้สวยหรูนะครับน่าชื่นชมและน่าประทับใจ พี่น้องครับพระเยซูบอกความจริงแสดงว่าพระองค์กำลังบอกเรื่องที่สําคัญครับว่าพวกเขานั้นได้รับบําเน็จของเขาแล้วนี่คือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าการทําความดีนะครับเมื่อวานนี้นะครับในบทที่หกข้อที่หนึ่งข้อที่สี่และการอธิษฐานนะครับก็ได้บําเม็จจากพระเจ้าเหมือนกันครับเพียน้งครับหลายหลยคนหลายหลยคนนะครับก็เข้าใจตรงนี้นะครับว่าเอออธิษฐานแล้วมีบําเน็จด้วยหรอือ นี่นะครับก็งตอบครับว่าอธิษฐานนั้นมีบำเด็จแล้วบำเหน็จอะไรเลยครับก็คือการตอบคําอธิษฐานครับนะฮะการตอบคําอธิษฐานที่น้องครับในข้อที่หกนะครับเปียสุตรัสสอนนะครับบอกว่าให้พวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับเป็นสาวกของพระองค์ถ้าเราจะอธิษฐานนะครับไม่ต้องให้คนอื่นเห็นครับจงเข้าในห้องชั้นไหนและเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่รับจะโปรดประทานบําเหน็จแก่ท่านนะครับในข้อนี้มีสองประเด็นที่สําคัญครับก็คือการอธิษฐานนั้นจะต้องเป็นเรื่องของความความลักนะครับไม่ใช่อธิษฐานเพื่อที่จะโชว์ไม่ใช่อธิษฐานเพื่ออวดตัวเองเปเยซูกําลังสอนว่าอธิษฐานนั้นจะเป็นเรื่องราวของตัวเผาคนคนนั้นกับพระเจ้าครับเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของเขากับพระเจ้าเพราะฉะนั้น จะต้อ hmm. งเข้าในห้องกันในที่นี้ไม่ได้หมายความตามตัวอ ja <D: c! S 2> ักษรนนะครับว่าการอธิษฐานทุกครั้งเนี่ยจะต้องเข้าไปในห้องชั้นในนะครับแต่ตรงนี้พระเยซูกำลังสอนว่าการอธิษฐานทุกครั้งเนี่ยขอให้เป็นลักษณะของความจริงใจนะครับขอให้เป็นลักษณะของการที่ไม่อวดตัวนะครับขอให้เป็นลักษณะของเรื่องราวของความสัมพันธ์ส่วนตัวของเขากับพระเจ้านะครับสามอย่างที่ผมพูดมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่ออธิษฐานแบบนี้เราจะได้ การทรงสดับจากพระเจ้าครับพระเจ้าจะฟังเรานะครับและพระเจ้าจะเห็นในที่ลี้ลับครับและองค์จะทรงโปรดประทานบําเหน็จแก่เราพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สาคัญมากพระเยซูกําลังบอกว่าบําเหน็จของโรคกับบําเหน็จที่ได้รับจากพระบิดานั้นเป็นคนละเรื่องกันนะครับหลายหลคนต้องการคําสรรเสริญเยือนยอนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าเล็กคอรกไนนะครับจากคนอื่นนะครับ ได้รู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นซัมบอดี้นะครับในท่ามกลางสามัคคีธรรมของคริสเตียนในท่ามกลางที่ชุมนุมชนของคริสเตียนอันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูทรงห้ามนะครับพี่น้องครับคนที่ทําแบบนี้หรือมีท่าทีแบบนี้ในใจพี่น้องครับพระเยซูบอกว่าเป็นคนหน่าขื่อใจโคตรครับและพระเยซูบอกว่าพระบิดาผู้เห็นในที่ลี้ลับนะครับทั้งสองตอนครับในข้อที่สามนะครับ ในเรื่องการทำทางในเรื่องการทำความดีแล้วก็ในเรื่องการอธิษฐานนะครับก็เกี่ยวข้องกันครับพระบิดาผู้ทรงสถิตในที่รี้ลับเห็นไหมครับผู้ทรงเห็นในที่รี้ลักพี่น้องครับเราหลอกพระเจ้าไม่ได้ครับหลอกคนอื่นได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะครับและคาอธิษฐานในคำวิสาลานะครับผมจะขยายความให้พี่น้องฟังอีกนะคำอธิษฐานในคำวิสาลานี่ยนะครับก็นานนะครับ ก, กว่านานมากเลยนานกว่าทำอธิษฐานที่อธิษฐานปกติถึงสิบเท่านะครับอันนี้คือการอธิษฐานที่ธรรมศาลานะฮะแล้งมีอีกครับก็คือว่าเวลาเข้าอธิษฐานธรรมศาลาเนี่ยต้องยืนกลางแขนครับแล้วก็พูดด้วยเสียงดังอธิษฐานตอนเช้านะครับเก้านาฬิกาอธิษฐานตอนเที่ยงสิบสองนาฬิกาอธิษฐานบ่ายสามโมงนะครับสิบห้านาฬกา เพราะฉะนั้นจะต้องอธิษฐานเนอย่างน้อยสามรอบด้วยกันนะครับเขาจะอธิษฐานที่ไหนครับอธิษฐานในธรรมศาลานะครับหรือถ้าไม่ได้อยู่ในธรรมศาลาก็อยู่ที่ตลาดหรืออยู่ตามท้องถนนนะครับพวกนี้ก็จะยกมืออธิษฐานเสียงดังนะครับเพื่อที่จะยกย่องตัวเองครับไม่ได้อธิษฐานจากใจจริงของเขานะโอเคครับพอเราเข้าเข้าไปในข้อที่เจ็ดนะครับเปียสูตรัสว่าเมื่อท่านอธิษฐานอย่าพูดพล่อยๆซ้ํากเหมือนคนต่างชาติกระทำ เพราะว่าเขาคิดว่าพูดมากหลายคำพระจะทรงโปรดฟังเรื่ับการอธิษฐานนะครับเราต้องไม่ใช้คําพูดพลอยๆนะครับไม่ใช้คําพูดซ้ํำซากและเจ้าอธิษฐานจากท้อยจากจิตใจของเราด้วยท้อยคํานะครับที่เต็มไปด้วยความเคารพยาเกรงพระเจ้าปรารถนาที่จะสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูไม่ได้สนใจเรื่องการการอธิษฐานอย่างเป็นพิธีการนะครับ แต่เงื่นอนงำเปเยซูให้ความสําคัญเรื่องท่าทีของคนที่อธิษฐานครับนะครับ่้อยคาของเขาความยาวของคำํำอธิษฐา น, นไม่ใช่เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับการอธิษฐานแบบซ้ำซากซ้ำซ า, า, า, านี่ครับเป็นการอธิษฐานตามทัศนคติของคนต่างชาตนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขานั้นวิงวอรกับพระของเขาครับวิงวอรกับลูกเขารบนะครับ วิงวไปวิงวอไปลูกเขาเร ก, ก็ไม่ตอบครับเพราะว่าลูกเขาเรกนั้นทันด้วยอิดมาหิมคูนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่พวกเขาจะต้องกรีดเนื้อเถือหนังในจะไมนะครับของเอ利亚นะครับก็คือกรีดเนื้อเถือหนังอธิษฐาน ย, ยังไงเจ้าของเขาก็ไม่ตอบนะครับอันนี้คือลักษณะของการอธิษฐานแบบคนต่างชาติพี่น้องครับในข้อที่แปดนะครับในข้อที่แปดเราเห็นความสําคัญตรงนี้นะครับ ซึ่งในวันพรุ่งนี้เราก็จะต่อเรื่องทํำอธิษฐานที่พระเยซูตรัสสอนนะครับแต่ข้อที่แตดนี้เราเห็นว่าการอธิษฐานนั้นม่ใช่เป็นการมีไว้เพื่อให้พระเจ้าจะทําความปรารถนาของตามความปรารถนาของเรานะครับอนนธิษฐานนั้นไม่ใช่เป็นกนารบังคับรงให้ทําตามสิ่งที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นที่พี่บอกว่าไงครับที่พี่บอกว่าอย่าทําเหมือนเขาเลยเพราะว่าสิ่งไรซึ่งท่านต้องการพระบิดา ทรงทราบก่อนที่เราจะทูลขอแล้วนะครับอันนี้เป็นความสัพพันธ์ยูความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับพระบิดาของเราทรงทราบความปรารถนาของเราก่อนที่เราจะทูลขอทีพระเยซูต้องการทําได้ยินคํำวิงวอนของเราตามแบบอย่างคําอธิษฐานที่พระองค์ประทานกับเราอันเป็นคําอธิษฐานที่รวบรวมการทูลอ้อนวอนอยู่ด้วยอย่างนี้ก็ต่างครับพี่น้องครับจากข้อนี้ทําให้เรารู้ว่าคําอธิษฐานนั้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อที่จะให้เรานะครับสำรวจตัวเองและเพื่อเราถ่อมใจลงครับรอคอยคำตอบจากพระเจ้านะครับและเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์และเห็นถึงความสัพพันยูของพระองค์ดังหาเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าสงทราบแต่เรายังต้องอธิษฐานอุนอิ่อกับเพราะพระองค์ต้องการให้เราไว้วางใจพระองค์พระองค์ต้องการให้เรามีชีวิตที่พึ่งพาพระองค์ตลอดเวลานะครับ คำอธิษฐานนั้นเป็นสัญญาณต่อพระเจ้าว่าเราพร้อมแล้วที่จะให้พระองค์สำแดงในชีวิตของเราผมพูดอีกครั้งนะครับคำอธิษฐานมีวัตถุประสงค์เพื่อติดต่อกับพระเจ้าและให้ตัวเรานั้นอยู่ในหน้าพรทยของพระองค์นะครับให้เราข่อมใจที่จะพึ่งพาพระองค์คำอธิษฐานนั้นเป็นสัญญาณนะครับที่ส่งไปถึงพระเจ้าว่าเราพร้อมแล้วที่จะให้พระองค์สำแดงหน้าพรทยของพระองค์ในชีวิตของเราดังนั้ครับพระเยซูประทานแบบอย่างคำอธิษฐาน ให้กับบรรดาผู้ที่ติด ต, ต, ตามพระองค์หรือคริสเตียนนะครับหลายคนท่องได้ซึ่งในวันพรุ่งนี้เราจะพบกันอีกขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่เราฝุกท่านที่เราจะไม่ปฏิบัติศาสนากิจที่เราจะไม่อธิษฐานที่เราจะไม่ทำคุณงามความดีเพื่อเราจะรับการยกย่องแต่ในทางกลับกันครับเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเพื่องานของพระเจ้าสาเร็จอาเมน